ทำทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจอุทษพจน์นี้เป็นสิ่งที่เราควรศึกษาพิจารณาทาทั้งหลายนี่ก็รวมถึงสุขและทุกข์ด้วยสุขและทุกข์ของคนเราเนนอยู่ที่ใจเป็นหลักเลย ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบเราการกระทบเนี่ยเราเรียกว่าผัสสะอาจจะตาไปกระทบรูปหูดได้ยินเสียงจิตได้รับรสสิ่งที่มันเกิดขึ้น กับเราสู่การรับรู้ของเราตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอกระทบแล้วจะทำให้เราทุกทันทีนะทุกในที่นี้หมายถึงความทุกข์ใจหากว่ามันกระทบปุ๊บแล้วเราทุกก็หมายความว่า ชีวิจิตใจของเรานี่มันก็เป็นท่าของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะมันมากระทบกายเราเราไม่ทุกข์ก็ได้นะแต่ถ้าทุกข์เนี่ยก็เป็นเพราะใจเราเนี่ยนะ เป็นตัวการสำคัญจริงเมื่ออากาศหนาวมากระทบกายมันก็เกิดทุกขเวทนาทางกายอันนี้ธรรมดาไม่มีทางหนีพ้นแต่ว่าความทุกขทางใจมันไม่จะเป็นต้องเกิดขึ้นตามมาก็ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าแม้กาย ของเราจะป่วยแต่อย่าให้ใจของเราป่วยด้วยนะอันนี้เป็นคำสอนที่พระองค์สอนนักกูลบิดาซึ่งเป็นอุบาสกที่กำลังป่วยนะพระองค์สอนให้พิจารณาหรือว่าลองทำใจดูนะว่าแม้กายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยแม้กายของเราจะหนาวนะแต่ใจของเราก็ไม่หนาวด้วยถ้ากายหนาวใจก็หนาวไปด้วยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงความป่วยแล้วนะไอ้ที่จะให้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนี่ก็เป็นนั้นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดแค่ความหนาวความเย็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ เล็กน้อยมากเมื่อเทีความเจ็บความป่วยทุกเวทนาทางกายมันต่างกันเยอะเลยเมื่อความหนาวกระทบกายอันนี้เราเกิดผัสสันะมันไม่ใช่ว่าจะทำให้ทุกใจทันทีมันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยปัจจัยที่ว่าคือเรียกลุงรวมว่าใจนะ เช่นว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสติไหมงั้นต้องไม่มีสตินะป่วยกายปุ๊บ ก, ก็ป่วยใจายตามมาเลยได้ ย, ยินคำพูดคำตำหนิคำทักท้วงของใครบางคนหรือแม้ั่งของครูบาอาจารย์พอไม่มีสติปุ๊บ ก, ก็เกิดความหมุดมีความไม่พอใจเลยแต่ถ้าเกิดมีสติมีปัญญา มันก็เกิดความรู้สึกขอบคุณว่าอ๋อนี่เรากำลังได้รับคุ้มรัพ์แล้วมีผู้ชี้คุ้มรัพย์ให้แล้วอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนะมื่อมีผู้ทวงติงผู้ขนาบผู้ชี้โทษนะท่านีที่ได้ยินคำพูดดังกล่าว บางคนทุกข์แต่บางคนไม่ทุกข์ในทุกข์ก็เพราะว่าไปปล่อยให้คําพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไปกระแทกกระทบตัวตนพอตัวตนถูกกระทบนี่มันย่อมเกิดความไม่พอใจขึ้นแต่ว่าแทนที่จะไว้ให้ตัวตนถูกกระทบก็อาจมาใช่ปัญญาใช้ปัญญาออกหน้าก็ พบว่าอ๋อกําลังมีผู้ชี้คุ้มรัพย์ให้เราทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ลนะเนี่ยให้เวลาเกิดภาระขึ้นมาเนี่ยแม้จะเป็นแม้สิ่งที่มากระทบจะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอมากระทบนะไม่ว่าทางตาทางหู มันไม่จาเป็นว่าจะต้องทำให้เกิดความทุกข์เสมอไปมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่ามีสติไม่มีปัญญาเมื่อเกิดทัศนะหรือเปล่าถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ปรุงนะไปสู่ความทุกข์ได้นี่เราต้องฉลาดนะฉลาดในเวลานี้ ผัสสะเกิดขึ้นคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการฝึกฝนนะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความโกรธก็เกิดขึ้นแล้วอะไรต่ออะไรก็ตามมาถ้ามีเรื่องเล่าว่า พ่อแม่ลูกกำลังกินข้าวนะอาหารเช้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปลูกก็จะไปเรียนหนังสือพ่อก็จะไปทำงานแณ่ที่กำลังกินอาหารเช้าอยู่ลูกสาวตัวเล็กๆอายุ10ขวบก็เกิดทำแก้วน้ำแตกนะแก้วน้ำตกแตกมันก็เลอะนะ พ่อเห็นก็ไม่พอใจก็ว่าลูกนะว่าลูกอย่างแรงเลยจนลูกร้องไห้แม่ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยทำเกินไปก็เลยต่อว่าพ่อตอนนี้ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะลูกสาวร้องไห้นะแต่ว่าพ่อแม่กำลังทะเลาะ ก, กัน ทะเลา ก, กันอยู่พักใหญ่เลยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาต้องออกจากบ้านแล้วพ่อก็รีบขึ้นไปนะไปที่ห้องทํางานแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บเอกสารใส่กระเป๋าแล้วก็รีบพาลูกขึ้นรถทุงกรุงเทพเนี่ยถ้าออกสายสักสิบนาทีหรือไม่แต่ห้านาทีเนี่ย มันมีความหมายมากนะเพราะว่ารถก็จะ ต, ติดหนักเป็นพิเศษยิ่งกว่าเมื่อห้าหรือสิบนาทีที่แล้วก็กลายเป็นว่าพ่อเนี่ยไปส่งลูกช้าโรงเรียนเข้าแล้วนะลูกเพิ่งไปถึงลูกก็ถูกครูลงโทษส่วนพ่อนี่ไปถึงที่ทำงานก็ช้าอีก เจ้านายนี่ก็เห็นก็ตอบว่าเพราะว่ามีประชุมนัดสําคัญกับลูกค้านะงิประมาณหลายสิบล้านนี่นะกำลังเจราจากันอยู่พอไปเข้าห้องประชุมเจราจากับลูกค้าบอกว่าพ่อนี่ลืมเอกสารเพราะว่ารีบเนเมื่อตอนเช้ารีบนะลืมเอกสารสําคัญเลย การประชุมก็เลยล้มเหลวก็ถูกเจ้านายนะต่อว่านหนักก็เดิมก็กลายเป็นว่าเช้านั้นอารมณ์เสียเลยนะตอนบ่ายก็เลยไม่เป็นงานทำงานงานมันคุกคลักไปหมดนะเป็นอะไรว่าทั้งวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะกับแย่สิ ถึงเวลาขับรถกลับบ้านนะเอารมเสียเนี่อารมเสียจากที่ทํางานทั้งวันนะถูกเจ้านายว่าแล้วก็เกิดความเครียดจากที่ทํางานงานการไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ความเครียดที่เกิดขึ้นในขณะขับรถก็ทําให้เกิดรถเฉียวเชีว ช, ชนขึ้นนะเสียเวลาเสียเวลากับการรอตํารวจรอประกันมา ก็กลายเป็นว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็คำ่ำกลับไปถึงบ้านนะลูกก็ไม่อยากเจอพ่อนะรีบเข้าห้องนอน ต, ตัวแม่ก็คุยกับลูกคุยกับพ่อก็บึ้งตึงสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเช้าก็เป็นว่าอันว่าทุกคนเข้านอนด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจ ด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์นะเอๆพ่ อ, พอแม่ก็ทะเลาะกันอีกนะลูกได้ยินก็ร้องไห้นะเป็นว่าทั้งวันนี้ของชายผู้นีนะ้มันเป็นวันที่เรียกว่าวันสวยก็ว่าได้นะมีอุปสรรคขุุขรบมีปัญหาเต็มไปหมดนะพวกเราจะเคยเจอไอ้วันแบบนี้นะเรียกว่าวันสวย ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากอะไรนะก็เริ่มต้นจากตอนเช้านะเป็นเพราะว่าลูกทำแก้วน้ำแตกหรือเปล่านะบางคนจะบอกเนี่ยทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นจากการที่ลูกเนี่ยทำแก้วน้าแตกตกแตกนะพ่อก็เลยว่าลูกแล้วก็เกิดผลกระทบตามมามากมาย ในความปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีมันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะอาจจะเริ่มต้นจากการที่ลูกสาวทาแก้วน้ําแตกเสร็จแล้วก็เกิดสงผลกระทบเป็นลูกโซ่จะจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะลูกสาวทําแก้วน้ําแตกหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าพ่อนี่โกรธสมมุติเราเปลี่ยนหมายว่า ลูกสาวทําการน้ําแตกและวพ่อเนี่ยไม่โกรธพ่อไม่ต่อว่าลูกนะพ่อก็แนะนําสอนลูกดีๆว่าให้กินเวลากินข้าวก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะเวลากินน้ําก็อย่าใจลอยนะมันก็ไม่มีเรื่องทะเลาะ ก, กันระหว่างพ่อกับแม่ลูกสาวก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะคําต่อว่าที่รุนแรงของพ่อเมื่อเป็นเช่นั้นพอถึงเวลา นะพ่อก็ไปเก็บเอกสารเนื่องจากไม่เล็งรืมไม่ก็คื อ, คอกะอระอเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเวลาเกินเลยไปก็เก็บเอกสารครบใส่กระเป๋าแล้วก็ไปทํางานขับรถไปส่งลูกตรงเวลาไปถึงที่ทํา ง, งานตรงเวลานะพอถึงเวลาประชุมเอกสารที่เตรียมมาก็ครบการประชุมก็สําเร็จเนะจ้านายก็ชม วันนั้นก็เลยทำงานได้ความสบายใจคิดอะไรสมองก็ปลาดโปรงงานก็สำเร็จทั้งวันจิตใจก็สบายขับรถกลับบ้านก็ไม่มีเหตุรถเฉียวชนถึงบ้านตรงเวลานะเห็นลูกเห็นภรรยาพร้อมหน้าก็พูดคุยกันโอภาปาศัยกันด้วยดีบรรยากาศราบรื่นวันนั้นทุกคนก็เข้านอน อนอนดยความรู้สึกสบายเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่มันต่างกันเลยนะเหตุการณ์แรกนี่มันขูดคลักไปหมดนะแต่เหตุการณ์ที่สองนี่มันราบตื่นไปหมดเลยความแตกต่างอยู่ตรงไหนนะความแตกตา่างไม่ได้ตรงที่ลูกสาวทาแก้วน้ําตกนะเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์ลูกสาวก็ทแก้วน้ำตกแตกเหมือนกันแต่ความแตกจะต่างอยู่ที่พ่อนะไม่ฉุนเฉียว ที่ลูกสาวทาการน้าตกพ พ, ตพ่อมีสติพ่อมีสติแทนที่จะว่ากล่าวลูกก็ยับยั้งเอาไวนะ้แทนที่จะพูดต่อว่าลูกก็ให้คําแนะนําพูดเตือนให้ตั้งใจให้มีสติแน่นะจุดชี้ไขตรงนี้นะว่าตอนที่ลูกสาวทกาการน้ําแตกเนี่ยพ่อมีปฏิกิริยาอย่างไร มันไม่ใช่ว่าพอลูกสาวทำการาน้ำแตกแล้วนี่ต้องโกรธเสมอไปไม่โกรธก็ได้ถ้าโกรธนี่ก็ส่งผลกระทบตามมามากมายจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องที่ส่งผลใหญ่ติดตามมาเป็นลูกโซ่แต่ถ้าเกิดว่าพ่อนี้ไม่โมโหมีสติเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็เป็นไปดี สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดเนี่ยไม่ใช่การที่ลูกนะทำแก้วน้ำแตกนะแต่อยู่ที่ว่าพ่อรู้สึกอย่างไรนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเมื่อผัสสะได้เกิดขึ้นนะกับผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยนะเห็นลูกสาวทำแก้วน้ำแตกนะถ้ามีสติมันก็พาไปสู่เหตุการณ์อย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีสติมันก็นําไปสู่เหตุการณ์อีกอย่างหนึง่งนั่นจะเรียกว่าความซวยของพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะลูกสาวเลิเลอแต่เป็นพ่อพ่อเองนั่นแหละนะที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่มีสตินั่นเห็นได้ไหมว่าเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ว่ามันสามารถจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่สืบเนื่อง ทั้งในทางลบหรือทางบวกก็ได้มันมีทางแยกนะเวลาเกิดภาษาขึ้นมาเวลาเกิดภาษาขึ้นมาไปจะเป็นภาษาที่เป็นลบแต่ว่ามันสามารถจะนาไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ก็ได้มันจะมีทางแยกอยู่นะแยกสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์และอะไรที่เป็นตัวกำหนดหรือชีคค้ขาดว่ามันจะไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ ก็คือจิตใจของเราเมื่อเกิดทัศะขึ้นมาเรามีสติไหมนะถ้าเราไม่มีสติก็เท่ากับว่าเรากลาลังเลือกที่จะปล่อยชีวิตจิตใจไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราก็กําลังนําพาชีวิตจิตใจของเราไปสู่ความไม่ทุกข์สู่ความสงบปราบรื่นจริงๆในชุกขั้นตอนนะ มันมีทางแยกที่จะนำไปสู่ทุกข์หรือความไม่ทุกข์นะเช่นเวลาถึงแม้ว่ า, าจะไปที่ทำงานช้าถูกเจ้านายต่อว่าแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เวลาประชุมแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าลืมเอาเอกสารไปที่สาคัญนะแต่ว่าก็ถ้ารู้จักปล่อยวางแล้วก็ ตอนบ่ายก็ทำงานได้อย่างมีสติมม่ก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้รถเฉียวชนนั้นให้เราตระหนักว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์เสมอไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นปัจจัยภายนอกสิ่งที่สําคัญก่อนนั้นคือปัจจัยภายในก็คือจิตใจของเรานะเรามีสติไหมเรามีปัญญาไหมนะหรือว่าเราหลงนะเราปล่อยให้อารมณ์ครอบงำนั่นจะพูดได้ว่าสุขหรือทุกขนะ์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะเจอเหตุล้ายมาแต่ยิ้มได้ก็มี ถูกตำหนิถูกทักท้วงแต่ว่าขอบคุณผู้ที่ทักท้วงไม่โกรธก็มีนะนั้นอยู่ที่ใจของเราเวลาเราได้ยินนะคำพูดหรือว่าเกิดภาษะเหล่านั้นขึ้นมาเราเลือกได้นะว่าจะให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปทางไหนสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ หรือจะเลือกความสุขก็ได้ไมันมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อโจตากวนนะเป็นเด็กอายุเป็นชาวไต้หวันนะอายุประมาณ9ก้ขวบวันหนึ่งก็พอตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งที่ขาก็ทำการฉายแสงส0กว่าครั้งทำการฉีดคีโมไป10กว่าครั้งฉายแสง30บครั้งก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องผ่าตัด แต่เด็กนี่เป็นคนที่มีมีความฉลาดมากนะฉลาดทางอารมณ์แกเล่าว่าแกเขียนเป็นบทกวีนะตามภาษาเด็กนะเด็กสิบขวบเขียนเป็นบทกวีง่ายๆสั้นๆแต่แต่ว่ามันสะท้อนถึงความฉลาดในการวางจิตวางใจของเขาเว่าเนี่ย พ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีเด็กชายสงบเป็นเพื่อนฉันมีเด็กหญิงกังวลเป็นเพื่อนเช่นกันฉันเลือกเด็กชายสงบเป็นเพื่อนต่อมาพ่อแม่อุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สอง ฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้านอชันมีป้าหวาดวันเป็นเพื่อนบ้านแล้วฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันนะฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านคือพาเข้าห้องเป็นเพื่อนพาเข้าห้องผ่าตัดด้วยต่อมานี่นะพ่อกับแม่ให้ฉันขี่คอเข้าห้องผ่าตัดเป็นห้งที่สาม ฉันมีคุณชีวิตเป็นเพื่อนฉันมีความตายเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันฉันเลือกคุณชีวิตเป็นเพื่อนอันนี้เด็กต้องการบอกอะไรเราจริงๆเด็กไม่ได้ต้องการบอกแต่บอกถึงความรู้สึกของเขามากกว่าในเวลาเข้าห้องผ่าตัดเด็กก็กลัวนะแต่ว่าเด็กก็รู้ว่ามันเลือกได้ จะเลือกความกลัวก็ได้จะเลือกความสงบก็ได้แล้วก็เด็กเลือกความสงบตอนเข้าห้องผาตัขครั้งที่สองเนี่ยเด็กก็มีความรู้สึกหวาดหวั่นนะแต่เด็กก็รู้ว่าสามารถจะเลือกความมั่นคงในจิตใจเป็นเพื่อนก็ได้ตอนเข้าห้องผาตัขั้งที่สามเนี่ยเป็นตายเท่ากันนะแต่ว่าเด็กเขารู้ว่ามันเลือกได้เหมือนกัน เลือกเอาชีวิตไม่เอาความตายอันนี้เป็นเป็นความคิดของเด็กนะอายุสิบขวบที่เขาเห็นเลยวว่าสุขหรือทุกข์มันเป็นสิ่งที่เลือกได้แต่ตอนหลังสูนก็ต้องผ่าตัดนะจนกรทังเหลือขาข้างเดียวนะเขาก็ยังไม่ทุกข์นะเขาเขียนหนังสือลงบักรเกวียเขานี่ ชื่อว่าฉันยังมีขาข้างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปนหนึ่งข้างนะแต่เขียนว่าฉันมีขาข้างหนึ่งคือแทนที่จะมองว่าตัวเองเสียอะไรกลับมองว่าตัวเองเนี่ยยังมีอะไรเหลือก็มีขาอยู่ข้างหนึ่งแต่สุดท้ายเด็กคนนี้ก็แพ้มะเร็งนะก็ตายแต่ว่าหนังสือรวมบทกวีขอนี่ก็ขายดีมากในประเทศไต้หวันก็มีคนมาแปลเป็นไทย เมื่อหลายปีก่อนในสิ่งที่เด็กเขาคิดเขารู้สึกเนี่ยนะมันก็ตรงกับคําสอนของพุทธศาสนานนะว่าสุขหรือทุกข์นี่จริงๆก็เลือกได้นะหรือสามารถที่จะฝึกให้เราฝึกว่าจะให้ใจของเราไปทางไหนไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์มันมีทางแยกอยู่ทุก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีทางแยกทุกครั้งที่เกิดผัสสะขึ้นมาจะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้จะสงบก็ได้หรือว่าจะกลัวก็ได้จะสงบเย็นหรือว่าจะโกรธก็ได้มันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่มีอะไรมากระทบกับเราหรือเปล่าสติสําคัญมากนี เป็นตัวตัวปัจจัยหนึ่งสตินี้สามารถที่จะระ ง, งับสกัดกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เข้ามาครอบ ง, งเจิตก็ได้อันนี้เรียกว่าสังวร น, นะมันมีหลักธรรมในพุทธศาสนาสังวร5สังวร5สังวรแปลว่าความสำรวมระวัง ส่วนใหญ่เราไปเข้าใจว่าความสำรวมเนี่ยมันหมายถึงสำรวมกายวาจานะแต่ว่าสังวรห้เนี่ยจะในเรื่องความสำรวมทางใจหมายความว่าการระมัดระวังไม่ให้อกุศลหรือความทุกข์เข้ามาครอบงาใจสังวรตัวสําคัญก็คือสติสังวร น, นะก็คือการสกัดกั้นไม่ให้อกุศลแล้วทำครอบงําใจด้วยการมีสติ ครั้งหนึ่งเนี่ยในชาพิวัฏจักรพราหมณ์คนหนึ่งที่พราหมณ์ภาวรีเนี่ยเคยส่งลูกน้องเคยส่งลูกศิษย์มาสิบหคนมาทูลถามปัญหาจากพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็จะมาลองดีนะแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะเป็นหัวหน้าเลยก็ว่าได้ชื่ออชิตะอชิตะมานพก็าถามพระพุทธเจ้าว่า จะทำยังไงถึงไม่ให้กิเลสซึ่งเป็นกระแสเนี่ยซึ่งเป็นดังตุดดังกระแสน้ำเนี่ยมันครอบงมจิตใจผู้เจ้าก็ตรัว่าสติเนเป็นเครื่องป้องกันกระแสกิเลสเสร็จแล้วพงศ์ก็อธิบายต่อไปว่าปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสกิเลสสตินี่เป็นตัวป้องกัน ป้องกันแต่ว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดตัดในที่นี้หมายถึงว่าทําให้ดับนะทำให้ไม่เกิดขึ้นสติเนี่ยเป็นตัวป้องกันหมายว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วป้องกันไม่ให้มันเข้ามาครอบงาใจาเช่นเวลาเราได้ยินบางคนพูดไม่ถูกหูเราก็หงุดหงิดไม่พอใจอตอนนี้กิเลสขึ้นแล้วนะแต่พอเรารู้ทันมีสติรู้ทัน มันก็ดับไปเรียกว่าวางอันนี้เรียกว่าสติสังวรแต่ว่าถ้าเกิดปัญญาเนี่ยมันทําได้ดีกว่านั้นก็คือเป็นตัวทําให้กระแสะกิเลสไม่เกิดคือดับไปเลยสังวรที่เกิดจากปัญญานี้มีชื่อเรียกว่าญาณสังวรชื่อนี้คุ้านไหมญาณสังวร เป็นราชทินานามของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งสินพระชนสมเด็จพระาญาณสังวรญาณสังวรคือว่าความสำรวมระวังไม่ให้กิเลสคร่องงาโดยใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาก็มีหลายขั้นนะเช่นเวลาครูบาอาจารย์ทักท้วงเราตำหนิเรานะเกิดโกรดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราไม่มีสติไม่มีปัญญา แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญาเนี่ยก็พิจารณาเออครูบาอาจารย์เขาหวังดีปรารถนาดีกับเรานะท่านกำลังชี้คุ้มทรัพย์ให้เราแทนที่จะโกรธนะก็ไม่โกรธละขอบคุณนะอันนี้เรียกว่าอาศัยปัญญาไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิ ต, ตไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใช้ปัญญาพิจารณาว่า ครูบาอาจารย์กำลังชี้โทษให้เราในสาวพทธการเนี่ยก็มีพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าถูกพระพุทธองค์เนี่ยขับไลนะ่อย่างเช่นพระอาหารหันต์ที่ชื่อพระยะโสชะนีนะ่พื้นเพเป็นชาวประมงนะเป็นหัวหน้าชาวประมงเกิดศรัทธาในพระศาสนาก็มาบวช เอาพาบริษัทบริวารมาบวชนี่เป็นร้อยเลยตามตามเรื่องก็ว่า500ต่อมาก็อยากจะมาจำพรรษากับพระพุทธเจ้าก็พาพระพวกมาถึงเชตวันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็ไปหาที่พักแต่ปรากฏว่าคงไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนอบรมเท่าไหร่ก็ส่งเสียงดัง เอาที่หลับที่นอนปูก็ส่งเสียงดังก็มากัเป็นร้อยเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีเสียงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมา ก, ก่อนพุทธเจ้าก็เลยพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเสียงอื้องนี้นะอย่างกับชาวประมงแย่งปลากันเนี่ยมันมาจากไหนพระอานนท์ก็ไปไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วก็มาทูลพุทเจ้าวันเนี้ยพายะโสชากับพวกนี่มา เสียงอื่นๆนี่มาจากพยาชากับพวกผู้เจ้าก็เลยประนามเลยนะประนามคือขับคือว่าก่าแล้วขับไล่ไปเลยบอกไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วลองนึกดูซิเนาะถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยนะเรามาเราจะมาจําบรรษาเนี่ยบอกว่าครูบาอาจารย์ขับไล่บอกไปเลยนะจะรู้สึกอย่างไรอาจจะรู้สึกน้อยใจจะรู้สึกว่าไม่อยู่แล้วบวชก็ไม่บวชรู้สึกดีกว่า แต่พยาโสชานี่กับพวกนี่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะพยะโสชาก็บอกว่าเนี่ยเออพระเจ้าทรงมีความปรารถนาดีกับเรานะาพระองค์ทรงประนามเราด้วยความเมตตาเพราะหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเป็นชิน้นเราก็ต้องพยายามสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชากับพระองค์ไม่โกรธเลยนะก็เลย ไปหาที่ที่สงบสงบริมแม่น้ําเพื่อจําพรรษาและพโยโซชาก็บอกลูกน้องว่าเนี่ยลูกศิษย์เพื่อนว่าเนี่ยให้เร่งทําความเพียร น, นะพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์มีความปรารถนาดีกับเราก็พบกับว่าทำความเพียรกันทั้งทั้งกลุ่มเลยไม่ทันออกพรรษาก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์อันนี้เลยกว่าเพราะถูกเพราะคือเจ้าปัดนามขับไล่แต่ว่าไม่โกรธไม่ท้อแท้ไม่น้อยอกน้อยใจ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเพียรมากขึ้นอันนี้ว่ามีปัญญานะก็จัดว่าเป็นญาณสังวรชนิดหนึ่งการที่เราใช้ปัญญาเพื่อที่จะตัดกระแสกิเลส น, นะอันนี้นี่มันต้องเกิดจากการที่เรามีปัญญาเห็นธรรมเนะช่นเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างแล้วก็ยึดถือยึดมั่นไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเหมือนกับฐานก้อนแดงๆหรือเหมือนกับดุ้นไฟที่ถือไว้นานๆก็มีแต่จะเผามีแต่จะลวกมือเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ปล่อยเองไม่มีความยึดติดถือมันอ่นไอ้ตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งนะ กิเลสก็ดับไปเพราะมีเพราะอาวิชชานะมันหายไปแล้วอวิชชาที่คือความหลงว่ามันมีตัวมีตนมีสิ่งที่จะสามารถปลนเปลือความสุขให้เราได้พอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็วางถึงตรงนี้กิเลสตัณหามก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเรียกว่าดับไป อันนี้เราว่าเกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงนะเป็นเครื่องตัดกระแสนะอย่างถึงรากเลยอันนี้เราเป็นญาณสองวนขั้ น, นสูงสุดนะคือการที่เกิดปัญญาจนกระทั่งกิเลสไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้ คือมันไม่มีมันไม่มีเลยด้วยซ้ำนะเพราะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่จิตยังมีสังวรชนิดอีกนะเช่นขันติสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรคือว่าการระ ง, งับไม่ให้อกุศลอกุศลทำข้องำจใจด้วยการมีความอดทนอดทน หรือว่าการใช้ความเพียรเพื่อระ ง, งับไม่ให้อกุศลและทำข้อบงำจิตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสำคัญสองตัวเนี่ยก็คือสติสังวรนะกับญาณสังวรนะซึ่งพู้เจ้าได้ได้นำมาอธิบายนะให้กับอชิตตามนบว่าเนี่ยสตินี่เป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องอห้ามกระแสและปัญญา เป็นเครื่องตัดกระแสะกิเลสท่า น, นต้องเข้าใจนะคำว่าสังวรเนี่ยนะมันไม่ใช่หมายถึงการสํารวมทางกายวาจาแต่ว่าเป็นเน้นที่ใจเป็นสาคัญสติสังวรก็คือตัวเดียวกับอินทรสังวรนะก็คือว่าดูแลรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้มีอกุศลธรรมครอบงำใจเมื่อตายเห็นโูกหูได้ยินเสียงหรือเมื่อเกิดผัสสะทั้ง6 เพระฉะนััสสะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ามันทำให้เราทุกข์นะมันอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่ถ้าไม่มีสติมันก็พาไปสู่ความทุกข์แต่ถ้ามีสติมันก็พาไปสู่ความไม่ทุกข์นะหรือว่าถ้ามีปัญญาเนะี่ัสสะนั้นเนี่ยมันก็แม้จะเป็นภัสสะที่เผ็ดร้อนแต่ก็สามารถจะเป็นประโยชน์ได้เช่นเจ็บป่วยเจ็บป่วยเนี่ยมันก็สร้างทุกขเวทนามากแต่ถ้ามีปัญญานะ ก็สามารถจะเห็นทมจากความเจ็บป่วยเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจากความเจ็บป่วยได้ก็ทำให้ปล่อยวางทำให้ใจเป็นสุขอันนี้แหละคือสิ่งที่พูะเจ้าได้สอนนักคุณบิดานะว่าแม้กายจะป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยด้วยเพราะมีสติเพราะมีปัญญาเอาคำนี้ก็พูดกันตอนนี้นะเอากลับ